กรรมต่างกันผลต่างกันปากไม่ตรงกับใจต่างอย่างไรกับโกหกโกหกคือรู้ทั้งรู้ว่าเรื่องไม่จริงแต่ก็พยายามบิดความจริงให้ผิดเพี้ยนหรือไม่ก็กลับเหรียนให้เป็นตรงข้ามอย่างสิ้นเชิงปั้นน้ำเป็นตัวหรือสร้างเรื่องแบบไม่มีมูลใดๆจงใจให้คนฟังเข้าใจผิด ด้วยความประสงค์สิ่งใดสิ่งหนึ่งอันเป็นผลได้ส่วนตนตามที่ตนต้องการเช่นมีเงินใช้หนี้สบายสบายแต่บอกว่าไม่มีด้วยความคิดชักดาบขอเก็บเงินไว้ใช้ต่อให้มีความสุขเถอะไม่สนว่าเจ้าหนี้จะเดือดร้อนอย่างไรอย่างนี้คือโกหกด้วยหลักทรัพย์ด้วยเต็มๆปากไม่ตรงกับใจ คือคิดอย่างพูดอย่างด้วยหลายต่อหลายเหตุผลเช่นคิดว่าน่าจะพูดตามมารยาทเขาถามว่าทำผมทรงนี้หล่อไหมหรือใส่ชุดนี้ฉันสวยหรืออย่างคุณรู้ว่าเขาถามเพื่อให้ชมไม่ใช่ถามเพื่อให้ออกความเห็นจึงต้องฝืนใจชมคิดว่าไม่ดีแต่ปากบอกว่าดี ซึ่งนั่นก็คือการกัดฟันบิดจิตตัวเองให้เพี้ยนถ้าไม่เพียนก็เปล่งคําพูดไม่ตรงใจไม่ได้ปากไม่ตรงกับใจเพื่อเอาใจปากไม่ตรงกับใจเพื่อปกป้องอัตตาตนปากไม่ตรงกับใจเพื่อให้ภาพใครดูดีปากไม่ตรงกับใจเพื่อซ่อนเร้นความรู้สึก และอื่นๆอีกมากชนิดที่ไม่ได้มีพิษมีภัยไม่ได้มีผลได้ผลเสียไม่ได้นับเป็นการโกหกหมดเทสแต่ก็เฉียดกันไปเฉียดกันมาเพราะการทำงานของจิตเป็นไปในทางเดียวกับการโกหกคือรู้ว่าจริงๆเป็นอย่างไรแต่บิดให้เป็นไปอีกอย่างปากไม่ตรงกับใจต่างกันกับโกหกตรงที่ไม่ได้เป็นบาป ไม่ได้ให้ผลลัพธ์แบบเดียวกับมุสาวาตซึ่งพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าเมื่อสะสมมากแล้วเป็นเหตุให้ไปสู่อบายหรือโทษสถานเบาคือเป็นผู้ถูกใส่ใครเมื่อกลับมาอยู่ในโลกนี้ผลของการมีปากไม่ตรงกับใจเสมอๆคือการเป็นผู้มีความอึดอัดใจเมื่อต้องใส่หน้ากากไม่มีความโล่งหน้าโลงตา ต้องสะสมอาการเกรง็งอาการฝืนเป็นเหตุให้ฟุ้งซ่านสองจิตสองใจเพราะจิตต้องออกแรงเข้นคำที่ไม่ตรงกับต้นแหล่งความรู้สึกเป็นประจำปากตรงกับใจนับเป็นเครื่องฝึกสติชั้นดีชนิดหนึ่งมีความแตกต่างกันเป็นคนละเรื่องกับการพูดทุกอย่างที่คิดและการพูดทุกอย่างที่คิด คือการเป็นพวกปากไม่มีหูรูดเพอเจอกลับไปกลับมาง่ายตามแต่จะคิดเพื่อฝึกให้ปากตรงกับใจขั้นแรกต้องมีสติต่อสู้กับความอยากพูดไม่ตรงกับใจความอยากพูดไม่ตรงกับใจเป็นแรงดันชนิดหนึ่งอยากหาคำง่ายๆให้ผ่านๆไปถ้าคุณชนะความอยากชนิดนี้ได้ เท่ากับคุณชนะความเคยชินที่จะมักง่ายได้ด่านหนึ่งแล้วจากนั้นต้องฝึกคิดสองชั้นก่อนพูดชั้นแรกคือถามตัวเองว่าความจริงคืออย่างไรชั้นที่สองคือคิดว่าควรจะพูดว่าอะไรยกตัวอย่างเช่นเรื่องจริงคือเขาหรือเธอ ทำผมแบบนี้หรือแต่งแบบนั้นแล้วดูประหลาดแต่ดานถามด้วยเจตนาให้คุณชมว่าหล่อว่าสวยคุณไม่จำเป็นต้องทำร้ายจิตใจด้วยการด่าตรงใจว่าประหลาดมากแต่สามารถคิดดีๆตอบแบบลงรายละเอียดว่าส่วนไหนทําให้ดูดีแต่ยังขาดตรงไหนไปคุณจะพบว่า การเป็นคนปากตรงกับใจได้นั้นได้ฝึกสติครบทั้งการไม่เผลอพลังปากส่งเดชทั้งความช่างสังเกตในการลงรายละเอียดทั้งปฏิภาณฉลาดคิดฉลาดพูดยิ่งฝึกบ่อยยิ่งมีสติยิ่งช่างสังเกตและยิ่งฉลาดพูดขึ้นเรื่อยๆทุกวันโดยไม่ต้องให้ปากกับใจผิดเพี้ยนจากกันเลย